สมมติโอ้กรรมเก่านะทําให้เราไปเกิดเป็นเป็นปลาไปใช้กรรมหรือไปทํากรรมกันแน่ก็ปลาบางตัวเขาบอกว่าปลาทูน่าตัวที่เป็นกิโลกิโลนะมันกินปลาด้วยกันประมาณยี่สิบล้านตัวกว่าจะโตเป็นปลาทูน่าที่สมบูรณ์เนี่ยยี่สิบล้านตัวเองเนาะโอ้โหทำกรรมขนาดนั้นเลยนะทั้งชาติถามว่าถ้าเราไปเกิดเป็นงูกรรมเก่าที่เราเป็นคนขี้โกรธ หัฟัดหัวเวียงก็เลไปเกิดเป็นอสอรพิษมีพิษร้ายมันกินอะไรกินกบกินเขียดกินสัตว์กินแมลงกินขอให้ ถ, ถ้ามันอยู่ในรูอะไรที่ตกลงไปในรูมันกินหมดอ่นนนะนะแมลงตัวใดก็ตามเถอะกินหมดเลยทีนี้ถามว่ากวามันจะโตถ้าไม่มีใครฆ่ามันจนตลอดอายุไขันี่มันฆ่าได้กี่ตัวเพนั้นจากอบายสัวบายจากอบายสัวบายเนี่ยหลุดจากอบายจึงยากนั้นถ้าไม่เผลอตัวไปแล้วมันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะ ถ้าไม่ได้ไปเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ออกถ้าออกออกจริงๆออกแท้ๆออกถาวรนั้นจึงเป็นความปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ต้องมีภัยไม่ต้องมีอะไรที่มันน่ากลัวอีกต่อไปวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะวัตตะทั้งหมดความเกิดขึ้นความเป็นไปเครื่องหมายกรรมที่นําไปสู่วัตตะปฏิสนธิกตินิพพติความอุบัติชาติชารามรณะพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกโทมรณะอุปายาตสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องล่อของพญมัน เคื่องล่อของอะไรก่อนกิเลสมารใช่ไหมกิเลสมาเนีนบอกว่าโอ้หน้าปรารถนาหน้าพอใจนะดีนะมันชมใหญ่เลยนะชมใหญ่ว่าโอ้ดีพิเศษอะไรเงี้นะเหมือนคนอะไรนะเขาล่อลวงไปต่างประเทศใช่ไหมโอ้ยดีไรายได้ก็ดีกินอยู่สบายอะไรไปก็ชมกันพอเช่นชมเบ็ดเสร็จก็พาไปแล้วพอพาไปถึงอ่ะมันตรงกันข้ามทุกอย่างที่พูดหมดเลยะนะอะไรเล่นงานเทวปุตตมานก็เล่นงาน พรเทวบุะ b u d เล่นงานขันธมานก็ซัดมัจจุมานก็ประหารเรียบร้อยท่านพวกนี้เป็นเหยื่อของกิเลสมานเป็นเหยื่อของเทวบุตร u d d h เป็นเหยื่อของขันธมานและเป็นเหยื่อของมัจจุมานขณะเดียวกันเนี่ยกิเลสเป็นเหตุให้ทำำํากรรมกรรมอภิสังขารมานก็นําไปสู่พบใหม่อีกถูกลวงแล้วลวงเล่าลวงแล้วลวงเล่าใครนะมันทั้งใจดําจริงเลยพาไปเรื่อยนะใครนะควรฆ่าจริงๆเลยนะ ท่านบอกว่าจิตนี่แหละจิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าควรค่าที่สุดในมาคันธิญาสูตรเนี่ยบอกว่าพวกเราทั้งหลายถูกจิตมันหลอกมานานแล้วถูกวิญญาณหลอกนะถูกแล้วถูกวิญญาณหลอกวิญญาณใครวิญญาณเรานั่นแหละเนี่ยนะวิญญาณภายในอ่ะรู้ได้ยังไงตอนนี่ยวิญญาณที่เห็นที่ได้ยินรู้กลิ่นที่นึกคิดอยู่ตอนนี้ยตัวนั้นะมันจะหลอกไปเรื่อยมันหลอกว่ายังไงบ้างมันหลอกว่าเออฉันนี่ดีนะฉันแน่นอนฉันซื่อสัตย์กับคุณเสมอ ใช่ไหมใจเรามันบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมเฮ้ยเราเชื่อสัตว์กับตัวเองเสมอเราไม่หรอกอย่างเราเนี่ยระดับเราเนี่ยอะไรก็ว่าไปเรื่อยใช่ไหมในที่สุดนะมันฉุดไปสู่พบใหม่เรียบร้อยหมดอะโลกนี้ถามว่าเราเชื่ออะไรที่สุดนะที่นั่งๆกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเชื่อความคิดตัวเองมากที่สุดที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดนะเชื่อความคิดถ้าความคิดเราบอกเอาด้วยเอาด้วยเออเชื่อเชื่อถ้าความคิดบอกไม่เอาก็ไม่เอาโดยประการทั้งปวงไม่รู้ว่าตัวความคิดตัวนั้นะคือเหยื่อของพญามารเนี่ยนะ เยื่อของกิเลสมานเทวปุตตมานก็เล่นงานเทวเขันธมานก็เบียดเบียนมัจจุมานก็ตัดคอซะอภิสังขารมานก็นําไปสู่พบใหม่เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้จึงเป็นเครื่องล่อของมานทั้งห้าถ้าตรงกันข้ามถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นเครื่องล่อไม่มีอมิตรคือไม่มีเยื่อไม่ใช่เยื่อของกิเลสมานไม่ใช่เยื่อของเทวปุตตมานไม่ใช่เยือของขันธมาร ไม่ใช่เหยื่อของมัจจุมน์เพราะอะไรเพราะว่าไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนะเพราะไม่ไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปไม่มีเครื่องไม้ไม่ประมวลมาไม่สืบต่อไม่เป็นไปไม่บังเกิดไม่อุบัติไม่เกิดไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายไม่เศร้าโศกไม่เร่าร้อนไม่คับแค้นเนี่ยนะนี่คือลักษณะของพระนิพพานนั้นเป็นเป็นอย่างนี้พระนิพพานนั้นจึงดีนะวัตตะกวีวัตตะเนี่ยว่า การที่มีอมิตรเนี่ยนะเป็นพวกนี้เป็นวัตตามิตรเป็นกิเลสสามมิตรเนี่ยนะเป็นเหยื่อของโลกเป็นเหยื่อของมานเป็นเหยื่อของวัตตะเฉะนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นจึงไม่ใช่เหยื่อจึงไม่ใช่เหยื่อของวัตตะเหยื่อของอกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะรฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงดีขณะเดียวกันเนี่ยนะการเกิดขึ้นในวัตตะเนี่ยเป็นสังขารเรานึกว่ามันสบายหรืออย่างไร แต่และอย่างเนี่ยปรุงมากโดยที่สุดแม้แต่มนุษย์ในความเป็นมนุษย์ที่เราได้กันอยู่นี้เนี่ยถามว่าปรุงมากหรือปรุงน้อยปรุงกว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกกว่าจะเจริญเติบโตทางรู ป, ปรกายนามกายทางความคิดจิตวิญ ญ, ญาณโอ้ยปรุงมากปรุงมาเือเกินกว่าจะได้เท่านี้เนี่ยนะถูกนุ่มมาหมดเลยนะไปรับไปเห็นไปได้ยินไปทุกไปสุขไ ป, ปกว่าจะได้มาเท่าสุกวันเนี่ยไม่ใช้ปรุงมาธรรมดานะปรุงมากจริงๆเลย นะปรุงไปปรุงมาหลายตัวหลายแห่งในสุกเลยปรุงจนสุกเลยก็มีนะปรุงสุกเนี่ยแล้วถ้แป้งถ้าปิ้งเนื้อสุกนั้นเป็นยังไงมันไหมเลยเตรียมไปหมดเลยนะเราทั้งหลายปิ้งไปปิ้งมาผิวหนังก็เกรียมขึ้นทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนถูกปิ้งเลยคันนี้เพราะพวกนี้ปรุงยิ่งปรุงวัตถนี่เป็นความปรุงจริงๆทุกเรื่องในโลกนี้ที่เราเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นเนหะ็นไและคว่าผู้ปรุงนี่เหน็ดเหนื่อยหรือไม่เหนื่อย ถ้าเป็นแม่ครัวที่โอ้หอาหารขายดีมากเลยนะจะเป็นยังไงการปรุงในวัตถะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปรุงง่ายๆเนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่จะปรุงขึ้นอย่างปรุงให้มีขันท่าละอียดนะปรุงให้ตามองเห็นเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ปรุงง่ายๆเนี่ยนะหลายคนเนี่จะไปเข้าอู่ซ่อมหูอีกแล้วเนี่ยหลายคนนี่ก็จะมูกก็จะต้องพ่นอยู่นั่นแหละหลายคนนี่ก็ฟันจะต้องถอนต้องครูต้องอะไรอยู่นั่นแหละ เอกหลายคนก็มีหัวก็ปวดหัวมีแขนก็เมื่อยแขนมีลำตัวก็โปว้วตัวมีเข่าก็ปวดเข่ามีหลังก็ปวดหลังนั่งขดนั่งแข็งนั่นแหละสะรุปว่าปรุงยากมากให้มันพอดีพอดีแล้วทีเนี้ยปัญหาว่าปรุงร่างกายดีหมดเลยใจมันเครียดอีกแล้วมานั่งปรุงใจอีกนะนะบอกว่ารูปประคันนี่ว่าปรุงยากไม่ยากเท่านา ม, มาขันรอกกล่อาใจตัวเองนี่ถือปรุงง่ายไหมปรุงยากมาก เพราะความคิดเนี่ยปรุงยากโดยเฉพาะปรุงให้เป็นอริยมรรคในสิยิ่งยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาธรรมที่ถูกปัดใจปรุงแต่งอริยมรรคประเสริฐที่สุดเราะนั้นอริยมรรคเนี่ต้องปรุงขนาดไหนอย่างอารหัตธรรมของพระพุทธเจ้าปรุงเท่าไหร่นะเฉพาะวันนับตั้งแต่วันได้รับพยากรณ์คิดปรารถนาในใจอีกั้งหากเปล่งวาจาทําบุญปรารถนาอีกิจหาก หลังสรุปว่าของพระพุทธเจ้าของเราก็ยี่สิบอสงไขยแสนกับนี้ทำแบบคนมีปัญญานะทำแบบฉลาดที่สุดแล้วถ้าทำแบบคนมีศรัทธาคูณสองเป็นสี่สิบถ้าเพียนอย่างเดียวคูณอีกสองนะสี่สิบคูณสองก็เป็นแปดสิบอสงไขยนั่นก็โหถ้าพวกนี้ปรุงยากมากกว่าจะปรุงสำเร็จแน่ๆแต่ว่าถ้าปรุงเสร็จแล้วดี เป็นอะไรนะเขบอกว่ายา <c oughs> ยาสำรอกในโลกเนี่ยนะที่ที่เขาปรุงกันเนี่ยบางทีก็รักษาสําเร็จก็มีไม่สําเร็จก็มีแต่ยาของพระพุทธเจ้าคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้าปรุงสําเร็จหายโดยส่วนเดียวนี่ยหายส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ไม่อย่าเบื่อหน่ายที่เพียรปรุงอริยมรรคแต่อย่าขยันปรุงแต่งพบเนี่ย เพราะสังขารทั้งหลายเป็นลักษณะปรุงแต่งพบใช่ไหมปรุงแต่งอริยมรรคกับปรุงแต่งพบนี่มันต่างกันถามว่าต่างกันยังไงต่างกันว่าปรุงอริยมรรคเพื่อความสิ้นพบแต่ปรุงแต่งพบก็คือปรุงแต่งชาติชาราและมรณะเนี่ยนะปรุงแต่งชาติเป็นยังไงปรุงแต่งชราเป็นยังไงก็ปรุงแต่งชาติหน้าขอให้สวยๆแต่คนสวยนั่นแหละที่แก่ มันก็ปรุงแต่งความสวยก็คือปรุงแต่งความแก่ยิ่งปรุงยิ่งแก่เนี่ยนะก็ยิ่งดูที่สองกระจกขึ้นทุวันทุวันทุวันเนี่ยนะมันสาวขึ้นใช่ไหมตรงกันข้ามนาะอันพวกนี้ปรุงแต่งมากถามว่าถ้าไม่ปรุงแต่งเนี่ดีไหมก็ดีอะเนาะถ้าไม่ปรุงแต่งนั่นแหละเป็นนิพพานละนะความไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปไม่มีเครื่องไม้ไม่ประมวลมาไม่สืบต่อไม่เป็นไปไม่บังเกิดไม่อุบัติไม่แก่ไม่ ไม่ป่วยไข้ไม่ตายไม่เศร้าโศกไม่รำพันไม่ขับแค้นใจนี่เป็นนี่ผ่านเป็นความสิ้นตันหาอย่างสิ้นเชิงเป็นความดับทุกอย่างสิ้นเชิงเนยนะมันไม่ใช่สังขารแล้วมันตรงกันข้ามกับสังขารค่อยคําที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนใดที่เป็นสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นภัย สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งใดมีภัยสิ่งนั้นมีอามิตรเพราะมีเครื่องล่อสิ่งใดมีเครื่องล่อสิ่งนั้นเป็นสังขารสิ่งนั้นเป็นสังขารถ้าสิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นปลอดภัยสิ่งใดปลอดภัยสิ่งนั้นไม่เป็นเครื่องล่อสิ่งใดไม่ใช่เครื่องล่อสิ่งนั้นคือพระนิพพาน อันพระนิพพานน้จึงดีนิพพานังปรามังสุขังนิพพานจึงเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะบอกว่านิพพานังปรามังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระหมายถึงว่าพระพุทธสาวกทั้งหลายพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านบอกว่าพระนิพพานเนี่ยคือธรรมที่สูงที่สุดเป็นธรรมที่สุดยอดปรามังนิพพานังปรามังวทันติพุทธา พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานนี่คือสุดยอดของธรรมทั้งมวลเนี่ยนะทรงตรัสว่าในบรรดาธรรมทั้งที่เป็นสังคตะอสังคตะวิราคะคือพระนิพพานประเสริฐที่สุดเนี่ยนะพระนิพพานนี่เป็นธรรมที่สูงสุดเป็นธรรมที่สุดยอดแล้วพระนิพพานนี่ไปหาพบที่ไหนนะถ้าจะหาให้พบหาพบที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกถ้าจะแสวงหาพระนิพพานก็หาที่นั่นนั่นแหละที่ไหน ตาเป็นที่รักเป็นที่พอชายในโลกถ้าจ ะ, สะแสวงหาพระนิพพานก็หาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหลเนี่ยนะไปหาที่อื่นหาไม่พบรอกไปหาที่อื่นเอาอะไรไปหาอีกนะตั้งคําถามมีอะไรไปหาอีกต้องหาด้วยอารยมรักประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะจักขู่นิโรธค า, ามมนีปฏิปทาโสตคาณะชีวหากายะนิโรธาคามมนีปฏิปทามโนนิโรธาคามมนีปฏิปทา ต้องหาด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดจึงเป็นปฏิปทาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทีนี้อริยมรรคลักษณะของเขาเป็นยังไงมาดูหน้าสิบแปดนะมาหน้าสิบแปดเนี่ยเป็นการสรรเสริญลักษณะของอริยมรรคเป็นหลักว่าขณะที่แทงตลอดอริยมรรคนั้นเป็นอย่างไรอริยมรรคนั้นลักษณะของเขาผือปริคหะกําหนดถือเอากําหนดเอาอะไรอริยมรรคกาหนดอะไรปกตินะอริยมรรคไม่อะไรเป็นอารมณ์ ท่านี้ผานเป็นอารมณ์ทีนี้ตัวอริยมรรคเนี่ยนะมรรคแปดเนี่ยเป็นบริวารของกันและการเช่นสัมมาทิฏฐิเป็นเป็นประธานมรรคเจ็ดที่เหลือเป็นบริวารถ้าสัมมาสังกัปปะเป็นประธานมรรคเจ็ดที่เหลือก็เป็นบริวารสรุปเป็นบริวารของกันและกันมรรคแปดเนี่ยต้องบริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยภาวนาจึงจะเกิดได้ถ้าภาวนาไม่บริบูรณ์ เรียว่าเต็มรอบเนี่ยนะปริปูระเนี่ยนะปริบูนอ่ะปริบูรณ์บริบูรนด้วยอํานาจของภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะสมาธิฏฐิกับสัมมาสังกปปะเป็นเป็นอะไรเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์แปดนั้นอ่ะต้องบริบูรณ์ด้วยภาวนาคือสมถะและวิปัสนาภาวนา ขณะอริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะสมาธิเป็นยังไงเป็นเอกคตาใช่ไหมคือไม่สัดสายไปในอารมณ์อย่างอื่นเลยมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความฟุง้งซ่านเมื่อสมาธิตั้งมั่นวิริยะก็ประคองไว้สมาธิก็ทําให้ไม่กระจายด้วยอํานาจของความเพียรจึงไม่ขุนโมวด้วยอำนาจของสมาธิจึงไม่กําเริบคือไม่หวั่นไหวอนเี่ พจิตจึงสามารถตั้งมั่นด้วยความเป็นเอกคตาคือตั้งอยู่ด้วยความไม่หวั่นไหวด้วยความสามารถความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกคตาจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวคือจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นตัวอารมณ์ของจิตที่กล่าวไปทั้งหมดของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็คืออะไรอารมณะคือ น, นิพพานเพราะฉะนัน้นอริยมรรคนั้นโคจรไปใน ท่านิพานท่านิสอารยมรคนั้นเป็นที่ละเพราะอาศัยธรรมที่ละเด็ดขาดอริยมรคนี้เป็นประธานะอะไรอารยมรคนี้เป็นสมุทเฉทประธานเพราะมีอารมณ์คือนิส ร, รณประธานท่านิพานนี้เป็นนิส ร, รณประธานเป็นอารมณ์ของอริยมรคที่เป็นสมุทเฉธประธานเพราะอารยมรคที่มีนิส ร, รณคือนิพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงทาหน้าที่สละกิเลสได้ อ, นนอารยมรรคนั้นออกจากอะไรออกออกออกโดยส่วนสองออกจากนิมิตและปะวัตตะนิมิตคืออะไรปรวัตตะคืออะไรอุสาพูดมาทั้งเยอะแยะเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละที่พูดมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ผ่านมาสามรอยข้อนั่นแหละใช่ไหมครบสามร้อยไหมว่า